คุณเฉลิมยังไม่มาเลยนักเรียนสดซิงๆเลยคุณเฉลิมทำไมเนี่ยเขาไม่เคยเรียนธรรมะมาก่อนนะเพิ <laughs> ่งมาเข้าที่นี่ที่แรกออ <laughs> ไม่ต้องปลาลบคุณเฉลิมเป็นหลัก <laughs> มาอย่างนะเขาบอกว่าทางอาจารย์พวกภาษาต่างประเทศนั้นผมฟังไม่รู้แต่ผมชอบ เขาเขาไปเรียนภาษาอังกฤษกับโยมทอมโยมน้อยแนะแนำกันยังไงไม่รู้มาเรียนธรรมะเนี่ยนะก็ เ, เรียนภาษาต่างประเทศเหมือนกันคนละสายกัน <c oughs> เอ่อมาขึ้นอากุศลสามอีกครั้งหนึ่งนะ อกุศลจิตสิครั้งก่อนล้วก็กล่าวไปบ้างแล้วรอโทษอีกครั้งหนึ่งว่าที่เป็นอกุศลจิต12นี้โดยเอาเวทน า, านะวิธีตั้งชื่อจิตนะอาศัยเวทนาอย่างหนึ่งอาศัยทิฏฐิอย่างหนึ่งทิฏฐิตรงนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัมปยุตอนะ่นสัมปยุตตะ สัมปยุตตะคือตัวที่ประกอบอย่างหนึ่งแล้วก็เอาสังขารสังขารตัวนี้แปลว่าการชักชวนนะไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าปรุงแต่งมุ่งแปลว่าการชักชวนเนีนะสามคำเนี่ยเป็นตัวตั้งตั้งเชื้อจิตทุกดวงนะถ้าถ้าสังเกตเนี่ยที่เป็นการมาวาจรจิตเนี่ยจำามตัวนี้ว่าโดยเวทนาคืออะไรโดย สัมปยุต ธ, ธรรมคืออะไรแล้วก็โดยสังขารเนี่ยคืออะไรเนนะก็จำสามอย่างนี้ไว้ก่อนอย่างเช่นโลภะมูลจิต8เนี่ยนะก็ขึ้นต้นด้วยโสมนัสเวทนาประกอบกับทิฏฐิเนะสัมปยุต ธ, ธรรมก็คือทิฏฐิสังขารก็แบ่งออกเป็นก็ ถ้าไม่มีการชักชวนก็เป็นอสังขารถ้ามีการชักชวนก็เป็น ส, สังขารเนี่ยนะทีนี้โสมานัตอีกเหมือนกันเนี่ยนะถ้าไม่ประกอบกับทิฐิเนี่ยน ะ, ะมันจะมีตรงงานข้ามคืออีกคำหนึ่งคือวิปปยุตสัมปยุติหมายถึงสิ่งที่เกิดพร้อมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันเนี่ยนะ ลักษณะนั้นชื่อว่าสัมปยุตคือนามธรรมที่เกิดร่วมกันเกิดด้วยกันเป็นปัจจัยแก่กันและกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุเดียวกันะ่ะลักษณะนี้เรียกว่าสัมปยุตส่วนไอสิ่งที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันคืออนะเกิดพร้อมกันอันนี้ยังไม่ได้บอกแน่ว่าสัมปยุตหรือวิปยุตทั้งวิปยุตก็เกิดพร้อมกันก็มี เแต่เอาส่วนที่ที่คำว่าสัมปยุตคือเอกวัตถุคือวัตถุที่อาศัยเกิดที่เดียวกันเอการมณะเนไเอการมณะคืออารมณ์เดียวกันแล้วก็อีกคำหนึ่งคือเอกนิโรธ อเอกาวัตถุก็คือวัตถุเดียวกันเอการมณะอารมณ์เดียวกันเอกานิโรธก็คือดับพร้อมกันนิยามที่แน่นอนของวิปสัมปยุตคือตรงนี้แต่ถ้าเกิดพร้อมกันเฉยๆเป็นวิ ป, ปยุตก็ได้เป็นสัมปยุตก็ได้เช่นว่าออนา อ, อนะาไปจิต เ ป, ปจจเป็นปัจจัยแก่จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปอันเนี้เกิดพร้อมกันได้นะแต่ถ้าจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกเฉยๆเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขสีอันแต่ถ้าจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปเฉยๆจะได้อันเดียวเห็นไหม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการพิจารณาว่าสัมปยุทธกับวิ ป, ปยุทธเนี่ยนะก็ตรงกันข้ามกับทิฏฐิก็คือวิ ป, ปยุทธถ้าเขียนทิฏฐิขึ้นมาอย่างนี้ก็แปลว่าสัมปยุทธก็แบ่งออกเป็นสองอีกเหมือนการอาสังคาริกกับสะสังคาิกแต่โดยทั่วๆไปเขาก็จะขึ้นให้จำง่ายๆอย่างดวงที่หนึ่งก็จะขึ้นแบบนี้ เขียนเป็นสเนี่ยนะก็คือเวทนาก็โสทิฐิก็เขียนทิฐิขึ้นมาแล้วก็อะนีะอันนี้ก็เป็นตัวบอกว่าโสมนาสาสากระตังทิฐิกรตะสัมปยุตตังอสังขาริกังถ้าอีกดวงหนึ่งก็จะขึ้นมาคล้ายกันโสวิปแล้วก็อะเหมือนกันที่ต่างกันต่างกันตรง น, งนี้แต่นี่ชื่อว่าดวงที่ นึงใช่ไหมอันนี้เป็นดวงที่5้าเีที่มีความแตกต่างกันส่วนที่เหลือเขาก็จะสังเกตตามเนี่ยว่าต่างบางทีก็ต่างโดยเวทนาบ้างต่างโดยสัมปยุทธบ้างต่างโดยสังขารบ้างเพราะนั้นที่เราจะเรียนต่อไปนี่จะเริ่มอธิบายตามศัพ์ไปเรื่อยๆตั้งแต่โสมนัพคืออะไรทิฏฐิคืออะไระสังขาริกคืออะไรวิปยุทธคืออะไรเนี่ยก็จะขยายไปตามคําแต่รู้ว่าในกลุ่มเรื่องเหล่านี้ เพราะว่าคำพีที่เราเรียนไม้ใช่เรียนดีกาท่านขยายศัพท์ด้วยอะไรด้วยหน้า35นะ <c oughs> ย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเหตุผลที่เรียงอกุศละจิต12คือโลภะแปโทสะ2โมหะสองเหตุที่เรียงโลภะแปขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะอะไร เพราะว่าโลภะนี่ถือว่าอากุศลที่เกิดขึ้นครั้งแรกในทุกภพเนี่ย น, นะที่มีนาำเนี่ย น, นะสันยสัตไม่มีโลภะหรอกแต่ว่าในภพที่มีน้ำทั้งหลายเนี่ยมีโลภะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโลภะอ น, นั้นเนี่ยมีมีภพเป็นอารมณ์คือมีปฏิสนธิเป็นอารมณ์เขเลยเรียกว่าโลภะภวะนิกังติเนี่ยนะก็คือความยินดีในในภพนั่นแหละโลภะนี่เกิดขึ้นครั้งแรกก็เลยยก โลภะขึ้นเป็นเป็นประธานอีกชื่อหนึ่งในพูดถึงอุปกิเลสิบหกในมัชฌิมนิกายนี่นะวัถสูตรหรือวัตถุประมาสูตรที่พูดถึงอุปกิเลสของจิตสิบหกประการตรงนั้นก็ให้เหตุผลว่าทำไมจึงขึ้นราคะขึ้นมาเป็นอันดับแรกก็เพราะว่าราคะนี้เกิดขึ้นในพพเป็นทีแรกอันนะก็จะให้เหตุผลเดียวกันกับตรงนี้ เป็นปัจจัยหรือว่าตัวเขาปรากฏด้วยขนาดที่ปฏิสนธิหรือเป็นปัจจัยให้ประกฏรู้เลยว่าไม่เข้าใจที่พูดไปพูดถึงจิตเนี่ยนะพอจุติเกิดต่อด้วยปฏิสนธิเนี่ยนะเป็นอนันต ร, ประปัจจัยกัน ทีนี้พอผวังเกิดตามสมควรแล้วก็จะมีชาวนะวิถีแรกเจ็ดดวงนี่ชาวนะวิถีแรกเนี่ยมีปฏิสนธิเป็นอารัมณะปัจจัยนี่นะอันนี้เรออารัมณะปัจจัยนี่นะชาวนะอันนี้คือโลภะ หนึ่งในแปดอย่างใดอย่างหนึ่งเนีย่ยนะที่เกิดขึ้นแต่ว่าไอ้ดวงตรงนี้เนี่ยนะไม่ไม่ได้จำกัดเอาไว้ว่ากี่ดวงแต่ว่าหลังจากปฏิสนธิแล้วโลภะต้องเกิดหนึ่งในแปดแต่ว่าเกิดทีละเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าหนึ่งในแปดที่มาติดในปฏิสนธิเนี่ยนะ เพราะว่าสรุปง่ายๆแมมดีใจจังที่ยังไม่ตายกลัวศูนย์มากสัตว์โดยรวมรวมไม่ห่วงมาก น, นะกลัวจะหายไปเลยนะหายละลายไปแบบก้อนน้ำแข็งนึ่งใสไม่ค่อยยอมง่ายๆเป็นแต่บางช่วงที่มันโทมานัดมากอยากตายเนี่ยนะก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็แหมถ้าคนไข้ที่ฟื้นจากห้องไอซนี่เขายิ้มไหมคุณสจิต สมมติถ้าเขาดมยาสลบแล้วเขาฟื้นขึ้นมาโดยมากเขาดีใจไหมไอ๋อไม่ค่อยยิ้มนะมคื อ, ค, อคือหมายว่าถ้าสลบไปสามวันสามคืนแล้วฟื้นขึ้นมาอะไรเนี่ยนะถือว่าโดยมากพอใจไหมที่เขาได้ฟื้นเนี่ยนะเราก็ต้องคำถามแบบนี้นะตอนแรกที่ฟื้นนะไม่ใช่หลังจากฟื้นมาแล้วคือช่วงแรกที่สุดที่รู้ตั ว, วเออฟื้นแล้วนะโดยมากมันจะติดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะชั่ววิถีเดียวเนี่ยนะ หลังจากนั้นก็โทรมนัสะอะไรต่อก็ก็อีกเรื่องหนึ่งละอย่างเช่นถ้าตกนรกก็ก็ดีใจโอ้โแยังยังอยู่เย้เหลียวดูเอ้าไฟท่วมหมดแล้วไม่ไหวแล้วไม่น่าเล ย, ยนะก็เสียใจในภายหลังอนะันนั้นอีกตอนหนึ่งวิบากที่เป็นอารมณนะวิบากอันเนี้ยสิบเก้าดวง แต่ไม่จำเป็นวิบากสิบเก้าดวงถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็หนึ่งในเก้าสมมติเป็นมนุษย์นี่นะแล้วก็ไอโลภะวนทีนี้เนี่ยแร่ยังเป็นโลภะเป็นอักผู้สสัตว์ไม่ต้องพูดถึงก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเทวดาก็โดยที่สุดสุดทาวาสพรหมชั้นสุดทาวาสปฏิสนธิครั้งแรกก็พอใจเหมือนกัน ไม่จำต้องกล่าวถึงสัตว์อื่นเ <c oughs> ้าเรียกว่าภาวะตันหาเนี่ยนะก็ยังยังชอบที่จะคือทั่วๆไปก็ยังติดข้องในอุปาทานขันห้ามถามว่าที่จะเลิกไม่ติดได้ตอนไหนบอกว่าตอนที่เจริญีิภัสนานะพอจะเห็นทุกข์เห็นโทษเ ห, ทเห็นภัยก็เริ่มละคลายแล้ะแต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วยึดหมดลอ no? งเยล่น่านวันโลภพแสนเนี่ยที่เกิดเกิดสมณัเนี่ยนะฮะ S <S ก็หมายความว่าดีใจที่เกิดปฏิสติเพราะว่ามีอะไเป็นอารมณ์ก็ดีใจที่เรามีปฏิสติสจิตเป็นอารมณ์ดีใจก็เกิดอืมดีใจว่ายังมีอยู่แต่ว่าไอ้ไอ้บางคนก็ดีใจบางคนก็เฉยอ่ะนะแต่ว่าชอบอแต่ว่าชอบที่ได้เกิดอะนะก็อาจจะยิ้มก็ได้ไม่ยิ้มก็ได้นะแล้วแต่ แล้วแต่ปัจจัยว่าไอตัวปฏิสนธิเนี่ยถ้าปฏิสนธิเป็นโสมนัสนะโลภะอันนี้โดยมากก็โสมนัสถ้าปฏิสนธิอันนั้นเป็นเป็นกลุ่มอุเบกขาโลภะก็จะเป็นอุเบกขาถ้าเป็นอุเบกขาสันตินะครับถ้าอย่างนั้นก็ยังชอบอีกเครับถ้าเกิดเป็นถ้าว่าพูดพูดรวมๆนะถามว่าสุนัขเนี่ยถ้าใครไปฆ่ามันมันชอบไหม ทำลายอุเบกขาสันติรณะอันนั้นแหะแกอย่าอยู่เลยอุเบกขาสันติระณะฉันจะส่งมาให้แกเป็นเทวดานะมันยอมไหมไป้าป้ามันก็ถือว่ามันยึดหมดอ่ะนะขอให้มีอะไรบ้างที่โลภะไม่ยึดอ่ะไม่มีหรอกที่เป็นเอาเหอะธรรมะในภูมิสามนะไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวที่โลภะไม่ยึดน้ำนวนอีกในหนึ่งบอกสัตว์นรกยังกลัวตายแต่อยากพ้นนรกแต่ไม่อยากตาย คนไข้ที่อยากตายมีไม่กี่คนครับยิ่งหมอเล่าให้ฟังเมื่อคืนด้วยยิ่งเข้าใจมากขึ้นะนะเนะเป็นมะเร็งเกือบจะตายแล้วก็ยังเพอ้อฝันว่ารอดได้รอดได้เชื่อว่าฝากหายแน่หายแน่แต่หายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็หวังว่าจะฟื้นสักวันหนึ่ง <c oughs> ไม่มีใครที่ว่าครั้งนี้สั่งเสียเบ็ดเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่กลับอีกแล้วเนี่ยนะน้อยเต็มทีโดยมากเรายังหวังว่าจะกลับไปบ้านไปตาที่บ้านก็ยังดีนะแต่ว่าไม่ค่อยทันหร <c oughs> ปฏิสนธิกับจุตินี่อย่าเรื่องคิดมามเรื่องมันไกลกันมากนะ่จริงก็ใกล้ๆ้นั่นแหละ <c oughs> เพราะว่าจุติจิตเกิดต่อจากปัญจทวารวิธีก็ได้ ต่อจากปัญจะทะวารวิถีก็ได้เพราะฉะนั้นในชั้นแรกๆนะทะวารตั้งหกนี่ฝึกไว้ให้เป็นกุศลเอาไว้เถอะไม่ผิดหวังหรอกนะน่ะรับอารมณ์อะไรก็ถูกเห็นดอกบัวก็คิดให้มันเป็นบุญให้ได้เห็นอะไรก็ช่างเถอะเห็นข้าวสารข้าวสวยข้าวเห็นฝาผนังสีขาวอะไรก็ช่างเถอะคิดให้มันเป็นบุญไว้ให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกอารมณมณะปัจจัยที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในภพหน้าได้หมดเลยนะ เห็นหน้ารถนะก็ต้องฝึกให้เป็นกุศลเอาไว้ให้ได้เห็นรถเห็นอะไรเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางรถแล้วจะได้เจริญกุศลไว้เป็นนะนะก็เห็นรถคันหน้ามาเนะี่คิดยังไงให้เป็นกุศลไว้กันเนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคันหน้ามาชนโครมตายแล้วเนี่ยจะรู้ไหแช่งแช่งคันหน้าถ้าแช่งไอ้คันหน้าไม่ตกหรอกเราอะ่ะตกนรกนั่นนะแล้วก็ต้องฝึกเอาไว้ให้ทุกๆอารมณ์นะแต่ถ้าคิดว่าจะนิพพานแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะ่ะเจริญนิพพานาอย่างเดียว ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคสอนคบไม่ได้อุบาทจังไรก็ว่าไปก็มั่นใจยังไงว่าเราจะไปนิพพานได้ก็มั่นใจว่าฉันไม่ยึดแม้แต่อย่างเดียวไม่แค่ว่ า, วาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังจะเรียนถึงในคุณเอาทุตระสูตรมาหรือเปล่ า, า, าเปิดไปหน้าสิบสาสิบเก้า เห็นส pues, <h Cla> <ienne> ังขารทั mm ้งปวงเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็สองกามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงก็สามก็จิตน้อมไปในนิพพานก็สี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดก็อินทรีย์โพชฌงอริยมรรคบริบูรณ์ก็นั่นแหละบอกว่านิพพานแน่นั่นนั้นเป็นเครื่องวัดอนะใช่น่าสามจเก้าูไปเปิดเล่มไหนอ่าทุตระศูนยนะใช่แล้ ยวงจะไปเรื่องอื่นมากไหมจนจะไม่ได้เข้าเรื่องอแล้วนี่ขึ้นโสมณัตดวงที่หนึ่งเลยนะคําว่าโสมณัตโสมนัต น, นี้ถ้าแยกสัพท์มาจากคําว่าอะนะสระสระโอเนี่ยนะถ้าลดลงมาเนี่ยก็เป็นสระอุใช่ไหมถ้าสระอุเนี้เอาขึ้นไปก็จะเป็นสระโอนะก็เหมือนกับสระอีกับสระอีเนี่ยนะก็สระอีนั่นแหละถ้าเสียงให้มันยาวขึ้นก็จะเป็นสระอีเห็นไหม สระอุก็สามารถเป็นสระอู ห, หรือเป็นสระโอก็ได้ไงนะเ่สมณัตเนี่ยนะถ้าสังเกตดูก็จากว่าสุบวกมณะสุก็แปลว่าดีมณะก็แปลว่าใจใจที่ดีชื่อว่าสุมณะนั้นคนชื่อสุมณ์นี่แปลว่าคนใจดีโดยสัพนะ อีกอย่างหนึ่งใจที่ดีนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นเชื่อว่ามีใจดีได้แก่จิตหรือบุคคลผู้มีความพร้อมเพียงด้วยใจดีะนะคือใจจริงๆอะ่ะมันก็ธรรมดาของมันนั่นแหละแต่ว่าไอตัวโสมนัสตัวนี้แหละมันทำให้ใจของคนนั้นดีนั่นไงตัวโสมนัสนงะ ความเป็นแห่งใจดีหรือบุคคลผู้ใจดีนั้นเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นไปแห่งชื่อและความรู้ในจิตนั้นเพราะเหตุนั้นจิตนั้นจึงชื่อว่าโสมนัสก็เวทนานี่แหละเป็นเหตุให้ให้ตั้งชื่อว่าเออนี่โสมนัสนะหรือให้รู้ว่าจิตตัวนี้มันโสมนัสนะก็อาศัยเวทนาคําว่าโสมนัสนี้เป็นชื่อแห่งสุขเขเวทนาทางใจนี่แหละ จิตที่สหรคตคือรคนแล้วด้วยอำนาจสัมปโยฆามีเอกุปปาธาเป็นต้นกับโสมนัตนั้นหรือที่ถึงภาวะมีเอกุปปาธาเป็นต้นกับโสมนัตนั้นเพราะเหตุนั้นจิตนั้นจึงชื่อว่าโสมนัสะสหกตะก็สหกตะนี้แปลว่าสหรคตหรือรคนหรือปนหรือร่วมเนี่ยนะร่วมด้วยโสมนัตอันนั้น น, นะหมายถึงจิตนะจิต ท, ที่ประกอบกับโสมนัตชื่อว่าโสมนัจิต ทีนี้ทิฏฐินะวนจะนะถาของทิฏฐิว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าทิฏฐิเพราะอาจว่าเห็นผิดจริงอยู่แม้คำสามันก็มีอารมณ์ต่างกันโดยความหมายและโดยประกอเป็นต้น